นั่เนคขมะนั้นเนี่ยจึงเป็นตัวชดเชยการมฉันทะเนี่ยจะต้องเป็นความสุขที่เกิดจากเนคขมะสุขจากกุศลสุขที่ไม่มีโทษเนี่ยนะต้องต้องมีความสุขอันนั้นนั่นแหละจึงจะละกามได้เพราะเนคขมะตัวนี้เป็นชื่อของสมถะทั้งหลายที่สงบราคะได้แล้วก็สงบสงบกามมฉันทะได้พฉะนั้นในขณะที่ละกามมาฉันทะด้วยสามารถแห่งเนคขมะเนี่ยนะ กุศลรธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นในขณะเนคธรรมะไม่ร่วงเกินกันและกันทเรียกว่าไม่ล้มกันและกันไม่เกินกันและกันเป็นตัวอย่างพอดีเมื่อเป็นตัวอย่างพอดีนี้จึงละกามฉันทะได้นะ น, นะ่ก็ต้องเนี่ยเรียกว่าภาวนาคือกุศลธรรมที่เกิดขึ้นเพื่อละการมฉันทะนั้นนะ่ะไม่ร่วงเกินกันเนี่ยจึงเรียกว่าภาวนาภาวนาอย่างเงี้ยนะแทบเกิดมาเพิ่งได้ยินว่างั้นแนทะ้เนาะเข้าใจยากมากว่างั้น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 พยาบาทนั้นก็คือพยาบาทพยาบาทก็คือแผดเผาอะนะลักษณะของราคะนี่มันติดถ้าโทสะนี่ลักษณะมันเผาก็นะเขาบอกว่าราคะนี่ติดในอารมณ์มากถ้าโทสะนี่ยเผาอารมณ์นีนะมันแผดมันเผาแล้วก็เผาทั้งอารมณ์ด้วยเผาทั้งตัวเองด้วยทีนี้อัพยาบาทคืออัโทสะเนี่ยนะอัโทสะอัพยาบาทเป็นตัวที่กําจัดความ พยาบาทเนี่ยนะทำไงอภัยาบาตก็คืออย่างน้อยที่สุดก็คือเมตตานีจะต้องอยู่ด้วยเมตตาแล้วก็ด้วยปัญญาที่พิจารณาโทษของโทสะเนี่ยนะกุโลมูลคืออักโทสะนั้นจะต้องมีกําลังอยู่ด้วยเมตตาทั้งหลายเนี่ยนะคิดให้อารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความประทุษร้ายมีความสุขความเจริญและคิดอีกในหนึ่งเนี่ยนะว่าถ้าขณะที่เราโกรธเราไม่สบายใจเนี่ยนะเรามีเมตตาต่อตัวเองไหม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 กุศลธรรมคุณงามความดีทั้งหลายเนี่ยถูกเผาถูกคำรายเสียวอดหมดเลยพ่านจะต้องเจริญอโทสะให้มีกำลังก็คือยามปกติเนี่ยนะถ้าใครที่รู้ว่าตัวเองหนักไปทางโทสะเนี่ยปกติต้องเห็นโทษของโทสะหยิบยกของปัญหาโทสะมาเป็นเรื่องใหญ่ว่ามันเลวรายย้ายยังไงมันสร้างความเสียหายอย่างไรระปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเนี่ยนะกับเน้นเจริญเจริญเมตตา เน้นเจริญเมตตาโดยปกติคนบางคนเขาบอกว่าชอบเจริญเมตตาตอนที่ม่มีโทสะเสร็จแล้วก็บอกเมตตาไม่ค่อยได้ประโยชน์เ่าว่าไงแก้แก้ปัญหาไม่ค่อยได้ก็เหมือนกับว่าโอ้เอาสักไข่สมแล้วนะ่ะค่อยคิดกินยาวบำรุงไงนะโอ้จะมีประโยชน์อะไรเท่าไหร่น้ออาจจะมีนะระยะยาวแต่ว่าในขณะนั้นมันแทบช่วยอะไรไม่ได้เลยเนี่ยนะขณะที่เหมือนกับว่ามันสมเต็มที่แล้วถ้าโทสะเกิดขึ้นแล้วนี่ยยาก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 ช่วงนั้นน่าเกี่ยวข้าวพอดีเลยบอกพ่อทำท่าร่อแร่ร่ำเร่อยากตึกแล้วนะบอกยมโยมโยนเคียวมาให้พระหน่อยนิท่านอยากเกี่ยวข้าวแล้วอ่ะท่านอยากเกี่ยวข้าแล้วโยนเคียวให้พระหน่อยสวัยเคียวท่านเลย <S <S 1> <S 1> นะพูดไปพูดมาหลายครั้งเข้าว่าหลายๆครั้งเข้าไม่ตึกเลยครั้งนี้แล้วก็เนี่ยท่านจิตเราเนี่ยนะถ้าว่ารวมๆแล้วนะ <S <S บันเทายากมากแต่ละอย่างนะราคาบันเทายากโทรศับันเทายาก โมหะบันเทายากจิตคิดจะไปเนี่ยนะแหมใจมันจะไปเนี่ยนะโอ้ยของคณะนึกถึงสมัยสมัยบทใหม่ๆเนี่ยนะใจคิดจะไปเนี่ยอย่าห้ามเลยอย่างนึกถึงที่สงสงารอาจารย์นี่เหมือนกันเราทําไงรึเป่าพูดถึงความเลวให้ฟังนิดหนึ่งว่าพอค่าแล้วอยากจะไปที่หนึ่งอะนะมันไกลมากเลยนะมันต้องเดินลุยป่าไ ป, ไปอะไรไปค่ําแล้วก็จะไปเก็บของเสร็จแล้วก็ไปลาอาจารย์ มันจะไปยังไงค่าแล้วค่ํากว่าไปครับเหมือน ก, นกราบลาแล้วครับไปแล้วนนก็เลยก็นึกถึงบอกว่าโหแล้วจะบอกว่าอย่าไปเลยไม่มีประโยชน์ถ้าจะยากเหงือนนั้นทันจิตคิดจะไปจริงๆเนี่ยนะใครจะไปไหนไปไหนจริงๆเนี่ยแม้ใครห้ามโกลนขวางเือะทันฉันใดอากุศลพยาบาททั้งหลายนี่ก็เหมือนกันยามะขวางกันให้ยากเลยมันไม่ใช่จะแก้กันง่ายๆเนี่ยนะเหมือนกับอุบัติเหตุ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 ทั้นฉันใดก็เหมือนกันเราก็ต้องขอความเมตตาให้แก่ตัวเองบ้างงั้นเจริญเมตตาก็อย่างน้อยขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขมีความเจริญบ้างทั้นทําท่าจะไม่สบายใจก็ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขไงนะพอเริ่มสบายใจแล้วนะเอาอีกแล้วหาเรื่องต่อไง <c oughs> เสร็จแล้วก็ไม่สบายใจอีกเพราะไม่สบายใจอีกก็ไม่ยอมเจริญอีกอหลายคนเอมแปลงว่างๆแทนที่จะคิดให้ตัวเองมีความสุขบ้างบำรุงบำรอเรียกว่าอะไรนะคล้ายๆพวกต้นไม้จะเ่าแล้วค่อยเอาน้ําไปรดอย่างเนงะี้ย ปกติก็ไม่ค่อยรดน้ำจนแบบว่ารอให้มันแรงดินมันแห้งซะจนต้นไม้เฉาใบไม้ร่วงไปเยอะโอ้ยทำท่าขยันรดน้ำใหญ่เลยพอมันเริ่มทำท่าจะฟื้นอีกก็ไม่เอาอีกล่วไม่รดล้วปล่อยให้แห้งแล้วเกือบตายอีกฉันใดใจของเราโดยมากก็เป็นลักษณะนั้นทั้นจะต้องมอีคุณธรรมอันหนึ่งที่มาบริหารยามที่ไม่ต้องรอให้ไม่สบายใจก่อนคือจริงๆแล้วเนี่ยนะ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 หนักไปทางโทสะเนี่ยนะท่านจะต้องหมั่นเจริญเมตานี่ให้บ่อยๆโดยเฉพาะยามปกติยามอยู่เรียกว่าใช้เฉยเนี่ยสมัยนั้นอาจจะต้องเร่งระดมทุนนะระดมเมตาวะให้กับตัวเองมากๆยังไงยังไงก็ช่างคนอื่นจะเลวร้ายยังไงก็ขอยังไงก็ตัวเองก็ไม่เลวขนาดที่ต้องประทุสร้ายใจตัวเองขนาดนั้นใช่ไหมไม่เลวถึงขนาดต้องจุดไฟเผาตัวเองเลยใช่ไหมขนาดแล้วทําไมต้องเอาไฟมาจุดเผาใจตัวเองอ่ะนะเขาต้องเจริญเมตตาบ่อยๆ ขอให้ขระพเจ้ามีความสุขความเจริญเนี่ยนะคิดอย่างนี้กับตัวเองหรือคิดไม่เป็นเลยนะบางคนคิดไม่เป็นเลยนะก็เรามันไม่ด right? ีจริงๆอ่ะก็เรามันเลวจริงๆ嘛นะเนี่ยนะก็เรามันเลวจริงๆนะเขาว่างั้นเออเลวจริงๆอ้าเลอ้าแล้วไม่คิดจะแก้ให้มันเป็นคนดีอ่ะเขบอกว่ายากงั้นก็แสดงว่าอนุรักษ์นิยมเนี่ยนะมันก็ต้องเอ่าทวนอีกครั้งหนึ่งนะว่าพยายามเจริญเมตตาให้กับตัวเองบ่อยๆคิดให้ตัวเองมีความสุขมีความเจริญบอกตัวเองว่า ถ้าเราโกรธ ถ, ถ้าเราไม่สบายใจเนี่ยเป็นบุญเป็นกุศลกับเราไหมมีอุปการะคุณกับใจเราไหมพระพุทธเจ้าท่านชมเลยใช่ไหมว่าเออนี่เธอนี่เก่งมากเลยไหมเธอนี่รับผิดชอบสูงมากคิดจนเครืนนะมมร่อนนี่นะชมไหมพระเจ้าตัดชมสรรเสริญหือเก่งจริงๆเลยไม่เนี่ยนะองค์ตมิด้วยซ้ําดิความโกรธย่อมยังจิตให้กำเริบพองวังนั้น ภัยที่เกิดขึ้นในภายในคนโกรธก็ไม่รู้สึกคนโกรธย่อมไม่รู้อัดคนโกรธไม่เห็นทำขณะที่ความโกรธครอบงามันมืดไปหมดเลยนะทําลายบุญทําลายกุศลทลาําลายคุณงามความดีนะทําลายอาธิศีลสิกศีขาที่จิตสศีข า, าที่ปัญญาศกขาทําลายทานศีลภาวนาทําลายโอ้ถ้าใจไปิดกจี่ธรรมขันก็จําไม่ได้บอกบางคนว่าเออทําไมนะหนังสือทําไมเขาท่องยากยากไม่จำเน่ยบอกไม่ไปจําได้ยังไงก็แบ่งเวลาไปโกรธตั้งเยอะแล้วแล้ว ก็ว่าไปกับเรื่องโกรธบ้างไปกับเรื่องโลภบ้างไปกับเรื่องอื่นบ้างให้ใจกับเรื่องอื่นไปเยอะแยะไปหมดแล้วบอกว่าพระธรรมไม่จํำก็ใช่แล้วที่ทําไมคําบางคําที่เพราะว่าเราทำไมจําแม่นเหลือเกินเนี่ยนะเก็บมาว่าคิดแล้วคิดอีกทบทวนแล้วและอธิบายได้นะแตกฉานมากเลยนะมันแปลว่ายังไงอู้เชียวฉาญแตกฉานเหลือเกินเนี่ยนะอธิบายได้เป็นฉากเป็นฉากเล่าแล้วเล่าอีกหถ้าพระพุทธพจน์นะเพ่งขนาดนั้นนะโยมเชื่อไหมเกือบบรรลุไปนานแล้วเนี่ยนะ พะนั้นแพ่งด้วยโทสะของกันนะแพ่งด้วยโทสะเพราะนั้นนี่แหละที่จะเรียกว่าซ่องเสพคนผ่านทางความคิดเรียบร้อยแลย้วขะงกันนะในหัวข้อว่ากามาฉันทะกับเนกอับพย า, พยาเนกขมมะกับอับพยาบาทเนี่ยนะถ้าพูดถึงองค์ธรรมแล้วนะอยู่ในกรรมบทข้อไหนเป็นกรรมบดไหมเป็นกุศลกรรมบดไหมเป็นเป็นอนะพิชากับอับพยาบาตอนนอะิอันะพิชากับอับพยาบาท ทีนี้ระหว่างการมฉันทะกับพยาบาทเนี่ยบางทีอ่ามันบวกกับความง่วงเข้ามาด้วยเพราะคําว่าการมาฉันทะบางทีนี่แปลว่าติดความสุขในการหลับการนอนติดนอนเนี่ยนะพวกนี้ก็เป็นการมฉันทะที่บวกกับทีน่ะมิถะเขาบอกว่าบางคนเนี่ยนะที่ที่พยาบาทเนี่ยเพราะอะไรเพราะง่วงง่วงเลยเริ่มง่วงเริ่มโกรธลวเริ่มงองแงแเหมือนเด็กนะเพราะว่าเด็กเนี่ยถ้าเวลาเด็กมันง่วงนะ เริ่มโงงงงแอแล้วเนี่ยนะงงงแเอาใจยากนะเนี่ย แ, แต่ถ้าให้หลับตื่นขึนมาแล้วสดชื่นทันใดใจจริงๆของเรามันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันหรอกเพียงแต่ว่าสรีระมันนานแค่นั้นแหละคุณภาพจิตก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ผมก่อนยังคุยกับโยมเลยบอกว่าแปรกนะบางทีเนี่ยนะอันนี้ไม่ได้ล้อเลียนถากทางอะไรสักอย่างเลยแะแต่เล่าให้เข้าเล่าให้ฟังความจริงนะไม่รู้ฟังได้หรือเปล่ า, ว, าว่าคนเนี่ยนะโดยมากเนี่ยอายุมากจริงเออเรียกว่า อายุมากจริงอ่ะแต่ใจเนี่เหมือนใจเด็กๆแล้วก็เด็กที่อายุมากเนี่ยอู้ยากมากเลยนะบอกว่าเออจะแนะนําอะไรกันนิดๆหน่อยๆก็บอกฉันเกิดมาก่อนอาบน้ํามานาน น, น, นั่นน่ะอ้างแต่ตรงนั้นอ่ะแต่คี้ใจเนี่ยน้อยเหมือนเด็กๆเลยเอาแต่ใจตัวเองเหมือนเด็กๆเลยทําทุกอย่างคล้ายๆเด็กๆเกือบหมด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 ล่าด้วยอโลกสัญญาเนี่ยก็คือสร้างความตื่นตัวขึ้นอยู่ในใจเนี่ยนะสร้างภาวะตื่นตัวขึ้นในใจอโลกสัญญาก็คือสําคัญว่าสว่างเนี่ยบางคนเนี่ยเหมือนกับว่าเออสว่างแล้วเราจะมาซบเซาอยู่ทําไมเขาบอกว่าโรคซึมเซาซึมซึมเ้าเซาง่วงง่วงเนี่ยตอนไหนตรงนี้บรรยากาศง่วงงฝนตกพรำพรำเมฆครึ้มครึมเนี่ยโอ้แต่ถ้าตอนไหนฟ้าโปร่งเขาบว่าเราคิดดูในสภาพว่าช่วงที่แบบบรรยากาศคล้ายๆแบบเนี้ย สลัวสรวนิดๆเ น, นี่ยนะแหมเหมือนห้องนอนเลยเตะเลยนะอากาศเยน็นๆ ห, หน่อยนั่นแหละเข้าบรรยากาศเตะเลยนะยิ่งพระพูดไม่่อยจะรู้เรื่องด้วยแล้วก็ไปกันใหญ่เลยนะอูๆๆๆๆๆๆะ้วงววววววววววววววววววววววววววววววว้วววววววววววววท้องฟ้าสวสวววววววววววว เคยเห็นใครนอนตากแดดสว่างโล่ไหมหายากนะแต่มืดๆครึ้มๆเย็นๆเนียน่ยใช่เลยนะั้นพยายามแ ล, ละลึกถึงว่าสภาพบรรยากาศที่มันตื่นตัวสว่างๆนั้นเป็นอย่างไรใครที่มนานสิการลักษณะนี้ได้บ่อยๆก็จะละถีนมิธะได้ก็จะเจริญกุศลธรรมได้เพราะถีนมิท่านี่มันเป็นเหตุให้ไม่เจริญกุศลธรรมไม่น้อมไปเพื่อเจริญกุศลธรรมเนี่ยนะไม่ค่อย คนที่ถีน่มิทาครอบงํา้ำเนี่ยนะมันเหมือนกับสันโดษนะทําท่าเหมือนเป็นคนสันโดษนะเพราะถีน่ามิทากับขี้เกียจเนี่ยมันพวกเดียวกันกลุ่มเดียวกันมันบากอ๊ยอย่าไปยากอย่าไปโลภมากอย่าไปอะไรค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็ได้นอนซะ ก, ก่อนเข า, างั้นนะอุย๊ยทําท่าเหมือนพอหมดแล้วโลกเนี่ยไม่ต้องการอะไรซากอย่างนะทำท่าเหมือนสันโดษเหมือนมักน้อยอนะเหมือนเป็นคนวิเวกกันนะเรียนแบบเหมือนแต่ไม่ใช่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 กันเงยก็เอาเกรียดกลอมให้คนนอนหลับช่วงค่ำๆกันแล้วกันอ่ง น, นัดีนะไม่ได้ไปเทศเองครับไปเทศเองก็เลิกเทศไปนานนะดีเอาเทศไปออก